ท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดมาประพฤติมาปฏิบัติมาบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวิถีทางสู่การกำจัดทุกข์บำรงสุขอย่างถาวออย่างแท้จริงถ้าเรา บนเป็นปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้งต่อไปรับรองได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เรามีอยู่หรือเคยมีจะไม่มีเหลืออยู่ต่อไปความสุขที่เราอยากได้กันก็จะไม่สูญหายไปจะมีอยู่กับเราตลอดความสุข ก็จะอยู่กับเราตลอดความทุกข์ก็จะหายหมดไปอย่างถาวรไม่มีการกลับคืนมาอีกต่างกับการากำจัดทุกข์บำรุงสุขอย่างที่พวกเราทำกันอยู่มันไม่ได้เป็นการกำจัดทุกข์อย่างถาวรมันไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้แก่เราอย่างถาวรเราได้ความสุขมา เดียวเดวมันก็จะหายไปความทุกที่เรากำจัดไปเดียวมันก็ย้อนกลับคืนมาอีกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เราเกิดหรือก่อนที่เราเกิดเพราะการเกิดของเรานี้ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นของเราเรานี้เป็นอยู่มีอยู่มามากกว่านี้คือเราเคยมีเคยเป็น อยู่ในอดีตชาตินั่นเองการมาเกิดนี้ก็เป็นเพียงเป็นการต่อเนื่องเหมือนกับการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งเราตายจากชาติก่อนแล้วเราก็มาเกิดในชาตินี้แต่ความสุขที่เราสแสวงหากันมันก็เป็นแบบสุขเดิบ มาตลอดความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ที่คอยหวนกลับคืนมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับหญ้าที่เราตัดตัดทิ้งไว้ไม่กี่วันมันก็งอกขึ้นมาใหม่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะการบำบัดทุกข์บำบัดสุขของพวกเรานั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องนั่นเองเป็นการ บำบัดเพียงชั่วคราวเป็นการสร้างความสุขเพียงชั่วคราวต่างกับวิถีทางของพระพุทธเจ้าที่เป็นการบำบัดทุกข์อย่างถาวรเป็นการบำรุงสุขหรือสร้างความสุขอย่างถาวรเราจึงต้องหันมาทางนี้เพราะทางที่เราเดินอยู่นี้ มันไม่ใช่ทางถ้าเรายัางดื้อรั้นยังอยากจะเดินในทางนี้อยู่ก็ไม่มีใครช่วยเราได้เวลาที่เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเวลาที่เราสูญเสียความสุขที่เราอุตส่าห์หามาได้แทบเป็นแทบตายแต่อยู่กับเราได้ไม่นานมันก็หลุดจากมือเราไปถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ช่วยเราไม่ได้เพราะมันเกิดจากการกระทําของเราเกิดจากการดาเนินชีวิตของเราไปในทางที่ผิดนั่นเองเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อในพระอริยสงสากที่คอยสอนคอยสั่ง ให้พวกเราปฏิบัติให้พวกเราดำเนินชีวิตให้อย่างถูกต้องนั่นเองดังนั้นเมื่อเกิดผลอะไรขึ้นมามันก็ต้องเป็นผลของเราดังในหลักกรรมที่สงตัดสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ปัญหาของพวกเรานั้นอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นกรรมดีอะไรเป็นกรรมชั่วนั่นเองเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นกับตาลปัดเห็นสิ่งที่ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดี ว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจึงคอยคว้าเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมาใส่ตัวเราแล้วก็สร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตจิตใจของเราอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี้ <Yeah. S 1> ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราก็ต้องเอาความเห็นของพระพุทธเจ้า มาเป็นแสงสว่างนำทางเอาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่มาเป็นเครื่องนำทางเป็นแสงสว่างนำทางแล้วเราจะได้เดินทางไปสู่ที่ดีที่ชอบต่อไปปัญหาของพวกเราคือเราหลงกับการสวงหาลาบยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นการแสวงหาที่ผิดมันเป็นมันผิดตรงที่ว่ามันสแสลงแก่จิตใจของเราแต่มันถูกกับกิเลส ข, ของเราถูกกับความหลงของเราถูกกับความอยากของเราแต่มันไปกระทบกระเทือน จิตใจของเราที่ทำให้เราต้องกระสับกระสายกังวลกรวายวิตกกังวลหวาดกลัวกับเรื่องต่างๆนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเวลามันเกิดก็เป็นเหมือนสุนัขโดนน้ำร้อนลวกมันไม่รู้ว่าน้ำร้อนนี่มาจากที่ไหนมันมีแต่พยายามวิ่งหาวิธีดับ แต่การวิ่งหาของมันก็ไม่ได้วิ่งหนีจากน้ำร้อนกับวิ่งเข้าหาน้ำร้อนอีกกับเพิ่มความร้อนความทุกข์ให้แก่มันอีกพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์กันแทนที่เราจะหนีออกจากสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เรากลับกอดรัดมันไว้ยิ่งแน่นยิ่งขึ้นเราลื้อกลับลื้อไปหามันมาเพิ่มขึ้นอีก เพราะเราคิดว่าเมื่อได้มันมาแล้วจะทำให้เราสุขให้เราสบายใจนั่นเองเช่นคนบางคนเวลาไม่สบายอกไม่สบายใจก็ไปดื่มสุรายาเมาเพื่อเป็นการดับความไม่สบายอกไม่สบายใจแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นการสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจเพิ่มขึ้นมาอีกในลำดับต่อไป ในขณะที่เดิมมันอาจจะทำให้ความไม่สบายอกสบายใจหายไปเนื่องจากว่ามันลืมไปแต่พอสามหายเมาแล้วความไม่สบายอกไม่สบายใจนี้มันก็จะกลับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วจะมีเพิ่มแถมขึ้นมาอีกก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจจากการที่อยากจะสือยากจะดื่มสุราอีกเนี่ยมันเป็น เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางมันเป็นการเพิ่มปัญหาขึ้นมาความจริงแล้วเวลาเราไม่สบายอกไม่สบายใจกับเรื่องอะไรเราควรจะตัดมันเสียมากกว่าคือเราควรจะปลงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดใครจะมาใครจะไปก็ให้เขามาให้เขาไปเราไม่ต้องไปกระสับกระส่ายกวนกวายผู้ที่กระสับกระส่ายกวนกวายนี้ไม่เป็นอะไร ไม่มีใครทำใจนี้ให้ให้สูญหายไปได้ไม่มีใครทำลายใจได้ไม่มีใครฆ่าใจได้อย่างมากที่มันทำลายได้ก็คือสมบัติข้าวของเงินทองของใจหรือบริษัทบริวารสามีภรรยาบุตรธิดาหรือร่างกายของใจเท่านั้นเองร่างกายที่ใจมาครอบครองเอาไว้แต่ถึงแม้จะไม่มีใครมาทำลายมัน ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องทําลายตัวมันเองเพราะเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมารวมกันแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแยกตัวกันออกไปมันก็จะต้องสูญสลายหมดไป ดังนั้นการที่ใจเราไปกังวลไปวิตกไปหวาดกลัวกับการเป็นไปของสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความไม่ถูกต้องเพราะเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจโดยใช่เหตุดังนั้ น, น, นมเมื่อเรามีปัญหาอะไรถ้าเราแก้ไม่ได้จะเป็นปัญหากับการงานการเงินการทองกับคนนั้นกับคนนี้กับสามีกับภรรยา กระบุตรกั บ, บธบิ่ดาเราก็ตองเสียตัดใจเสียยอมรับความจริงเสียว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเพราะว่าเราก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดีการกรวนกระวายกระสับกระสายไม่ได้เป็นการไป ทำในสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นไปนั้นเป็นไปตามความอยากของเรามันไม่ได้เป็นไปเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาไม่ได้มีหรือเป็นตามความอยากของเราเขามีและเป็นตามเหตุตามปัจจัยของเขาซึ่งมีหลายส่วนด้วยกันอย่างที่พูดไว้เมื่อก่อนนี้ว่ากรรมก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสั์ หรือบุคคลให้เป็นไปตามที่เขาเป็นอยู่คนเหล่านี้ถ้าเปรียนเป็นผลไม้ก็มีหลากหลายบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นสับปะรดบางคนก็เป็นมะนาวบางคนก็เป็นมะม่วงการที่เราอยากจะให้คนที่เป็นมะม่วงมาเป็นสับปะรดนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเรา อยากให้มาม่วงมาเป็นสัพพรส์นี้มันเป็นไม่ได้ฉันใดการที่เราอยากจะให้คนนั้นคนนี้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเราสอนเขาแล้วเขายอมแปลงตัวเขาเองมาเป็นอย่างที่เราต้องการให้เขาเป็นอย่างนี้พอเป็นไปได้อย่างพระพุทธเจ้านี้มีภาพ ปัญญาบามีมาก ท, าาท่านสามารถแปลงฆาตกรให้มาเป็นพระได้เช่นทรงแปลงพระองคุลิมานจากมหาโจรมหาฆาตกรมาให้เป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ไม่ได้ด้วยการเสกหรือเป่าแต่อย่างใดไม่ได้ใช้คาถาอาคมต่างๆแต่ใช้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้ สอนให้องคุลิมาลรู้ว่าการฆ่านั้นเป็นการเป็นการกระทําที่ผิดเป็นบาปเป็นกรรมอย่างใหญ่หลวงพอองคุลิมานได้ทราบเข้าใจก็กลับเนื้อกับตัวกลับใจแต่มันต้องอยู่ที่ตัวองคุลิมาลเองถ้าองคุลิมาลไม่ยอมกลับเนื้อกับตัวแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะแปลง ให้เขาจากการเป็นฆาตกรมาเป็นพระได้ต้องอยู่ที่ตัวของเขาเองเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้คนต่างๆเขามีบุญมีกรรมของเขามาเขาเคยทำบุญทำกรรมของเขามาและบุญกรรมนี่แหละที่เป็นตัวผลักดันให้เขาไปทำบุญหรือทำกรรมต่อไปถ้าเขาทำบุญมาติดเป็นนิสัยมา เขาก็จะติดนิสัยการทำบุญถ้าเขาทำกรรมติดนิสัยมาเขาก็จะติดนิสัยทำกรรมเช่นถ้าเขาติดนิสัยการพูดปดโกหกหลอกลวงติดนิสัยความเกลียดพล้านมาเขาก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะโกหกหลอกลวงเขาก็จะมีความเกลียดพลานของเหล่านี้มันไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่ไม่ได้ให้สิ่งเหล่า น, นี้แก่เขาสิ่งที่พ่อแม่ให้เขาก็คือเพียงร่างกายเท่านั้นคืออาการ32ให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆแต่เจลิตนิสัยนี้ไม่ได้เป็นของพ่อแม่เป็นของที่ติดมากับจิตของเขาจิตที่ทําสร้างบุญสร้างกรรมสร้างเจลิตนิสัยต่างๆมา ถ้าสร้างบุญเราก็เรียกว่าบารมีถ้าสร้างกรรมเราก็เรียกว่าสัมดาลเสียหรือนิสัยไม่ดีหรือบาปเมื่อมามันมันติดมากับใจมันไม่ได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่จะเป็นคนดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถถ่ายทอดความดีให้ติดไปกับร่างกายเขาได้ มีทางเดียวที่จะถ่ายทอดได้ก็คือต้องคอยสั่งคอยสอนคอยเตือนคอยบอกอยู่เรื่อยๆแต่ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะรับหรือไม่ถ้าเขาคว่ามแก้วไว้เราเทน้ำใส่เข้าไปทั้งทั้งขวดมันก็ไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวติดอยู่ในแก้วเลยเพอเขาคว่ามแก้วเขาไม่หงายแก้ว ถ้าเราสั่งสอนเขาแล้วเขาทําตัวเป็นเหมือนกับสุนัขที่ได้รับน้ําที่เขาสาดใส่ลงไปสุนัขมันก็จะสลับน้ําทิ้งหมดเพราะมันไม่ชอบน้ําฉันใดคนที่มีนิสัยไม่ดีชอบทําบาปทํากรรมก็จะไม่ชอบการได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนที่ดีที่ให้ ทำดีให้พูดดีให้คิดดีพอได้ยินแล้วก็จะเกิดอากัปกิริยาสแสลงขึ้นมาในใจเกิดอาการโกรธเกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาทันทีเหมือนกับสุนัขที่ได้รับน้ำที่ถูกน้ำสะาดใสหลัง <c oughs> เขาก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะสลัดน้ำทิ้งทันทีดังนั้นเราจึงต้องยอมรับว่า คนที่เรารักนั้นคนที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่มีความสามารถไม่มีบุญรองรับอยู่เขาก็เป็นไม่ได้และเราก็ไปบังคับเขาให้เป็นไม่ได้มีแต่จะทำให้เราทุกข์ทรมานใจเสีย อ, อกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไปเปล่าๆ แต่ถ้าเราเข้าใจถึงหลักกรรมแล้วและหลักเหตุปัจจัยที่ทาให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ตรงเสียยอมรับความจริงเสียแล้วเราก็จะสบายใจเราก็จะไม่เดือดอร้อนใจไปกับเรื่องของเขามากจนเกินไปสิ่งใดที่เรายังพอดูแลเขาได้พอช่วยเหลือเขาได้ เราก็ดูแลเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปสิ่งที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงอันนั้นแล้วเราก็จะหายทุกข์นี่คือการวิธีที่จะกำจัดความวิตกกังวลกำจัดความกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือกำจัดความเศร้าโศกเสียใจ ไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้ถ้าเรายอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นแลรู้ว่ามันเป็นธรรมดารู้ว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมรู้เรื่องว่ามันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติและมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปหักห้ามได้เช่นเวลามีพายุมีน้ำท่วมมาทำลายทรัพย์สินต่างๆ เราก็รู้ว่ามันอยู่เหนือวิสัยของเราเราจะไปตีโพยตีพายไปร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมันก็ไม่ได้ระหยน์ยัง้งหรือไปไประ ง, งับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถระ ง, งับความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ของใจเราได้ด้วยการยอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมดาเกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ มีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวเรามาและเมื่อเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวเราไปแล้วเรามาทุกมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆทำไมถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะยอมรับความจริงได้ ปัญหาที่คนเขาปล่อยวางไม่ได้หรือรับความจริงไม่ได้ก็เพราะเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเขาไม่ยอมคิดว่าเหตุการณ์ที่เขาไม่ปรารถนานี้ย่อมเกิดกับเขาได้เพราะมันเป็นปกติวิสัยของทุกๆคนที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนากันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักก็ดีหรือการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ที่เราจะต้องเจอกันทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะเจอแล้วมีอาการอย่างไรจะมีอาการโซเซมีอาการสลบทลาย หรือมีอาการเป็นปกติไม่เดือดร้อนเราสามารถทำได้ทั้งสองทางถ้าเรามีมิจฉาทิจิความเห็นผิดเป็นชอบเราก็ไม่อยากจะให้สิ่งเลวร้วายต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นพอเจอขึ้นแล้วก็ใจของเราก็จะเหมือนกับถูกน็อกสลบสลายไปแต่ถ้าเรามีสัมมาทิจิมีความเห็นที่ถูกต้อง รู้ว่ามันจะต้องเกิดแล้วเราก็พร้อมที่จะรับมันพอมันเกิดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเราสลบสลายให้กวนกวายให้กระสับกระส่ายให้เศร้าโศกเสียใจได้เพราะว่าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองความเห็นที่ถูกต้องนี้ในทางาศาสนาเรียกว่าปัญญาปัญญานี่แหละ เป็นตัวที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ทั้งหลายภายในใจได้ไม่มีอย่างอื่นสิ่งอื่นที่จะสามารถกาจัดความทุกข์ในใจได้เช่นถ้าเราเป็นมหาเศรษฐีแล้วเรามีความสามารถที่จะสร้างสิ่งมาคุ้มครองชีวิตของเราสร้างบ้านที่ที่มีความแน่นหนามั่นคงถึงกับ ต้านสามารถต้านแรงระเบิดนิวเคลียร์ได้ก็ตามเถิดแต่มันไม่สามารถไปดับความทุกข์ความกังวลของใจได้เพราะว่าใจมันก็ยังอดที่จะกังวลไม่ได้ว่าแล้วถ้าเกิดน่างกายมันแก่ไปแล้วมันตายไปเองจะทําอย่างไรเพราะว่าน่างกายนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกแต่มันก็ไม่สามารถป้องกันภัยที่มีอยู่ในร่างกายได้ภัยที่จะทำลายตัวร่างกายเองแต่ใจนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วมันจะไม่มีความทุกข์เพราะมันรู้ว่าทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่ไปยุติความตายได้นั่นเอง เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางมันไม่ยึดไม่ติดพอไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่กังวลไม่คิดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันทำอย่างนี้ได้แล้วใจก็จะมีแต่ความสบายความทุกข์ต่างๆนี้จะหายหมดไป อย่าไม่มีมาเกี่ยวข้องกับใจของเราเอีกต่อไปนี่คือวิธีการของการกําจัดความทุกข์อย่างถาวรและการสร้างความสุขสบายใจอย่างถาวรต้องสร้างด้วยสัมมาทิฏฐิต้องสร้างด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้เราละบาปทั้งหลายให้หมดไปและให้เราชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจนี่เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนผงซับฟอกเป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนภาชนะที่เราจะเอาเสื้อผ้า ใส่เข้าไปแล้วก็เอาผงซักฟอกเอาน้ำใส่เข้าไปเพื่อซักฟอกเสื้อผ้าที่สกปรกให้มันสะอาดหมดจดใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าต้องชำระให้สะอาดหมดจดต้องชำระด้วยการกระทําความดีต้องชำระด้วยการละการกระทําบาปต้องชำระด้วยการภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ จเจริญวิปัสนาเจริญปัญญานี่เป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่เชื่อเฉยๆแล้วก็ยังดําเนินชีวิตเหมือนเดิมอยู่ยังหวงยังหวงยังเสียดายยังอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรการเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระอริยสงสาวกโดยที่ไม่ปฏิบัติ ตามที่ท่านสอนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเชื่อหมอเชื่อยาแต่ไม่รับประทานยาที่หมอสั่งให้รับประทานโาครคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่หายไปมันจะหายก็ต่อเมื่อเราเชื่อหมอทาตามคำสั่งของหมอหมอสั่งให้กินยาก็กินยาหมอสั่งให้หยุดอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็ต้องหยุด หมอสั่งให้ออกกําลังกายก็ต้องออกกําลังกายถ้าทาตามที่หมอสั่งแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปตามลำดับเพราะหมอเขาเคยรักษาคนมาด้วยวิธีนี้และคนก็หายได้ด้วยวิธีนี้มาแล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวงทั้งหลายท่านก็รักษาใจของท่านด้วยวิธีนี้มาแล้วรักษาใจของท่านให หายจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างถาวรรักษาใจของท่านให้มีแต่ความสุขอย่างถาวรมาแล้วแล้วท่านจึงนำเอามาสั่งสอนพวกเราการนับถือการเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเชื่อแล้วต้องทำตามคำสอนของท่านส่วนใหญ่เราจะเชื่อเพียงบางส่วนส่วนที่เราชอบเราก็ทำเช่นเราชอบทำบุญให้ทานเราก็ทากัน ส่วนที่เราไม่ชอบก็คือการรักษาศีลเราก็จะไม่ค่อยทำกันเพราะเรายัางชอบดื่มสุรายาเมาเรายัางชอบพูดปดมดเท็ดเรายัางชอบลักขโมยชอบเอาของคนอื่นที่เขาไม่ให้มาเป็นของเราเรายัางชอบประพฤติผิดประเวณีอยู่เราจึงรู้สึกว่าการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยากมันบาป เพราะเราไม่ชอบเลยทำให้เราสงสัยไม่เชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มีจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> ก็เลยทำให้เกิดความเครือบแคลงลังเลใจเป็นเหตุอ้างทำให้ไม่อยากจะรักษาศีลเพราะรู้สึกว่ารักษาศีลแล้วสู้เขาไม่ได้ทำอะไรทำมาค้าขายสู้เขาไม่ได้เพราะพูดความจริงแล้วเขาจะไม่มา ซื้อของของเรา <Yeah. S 1> ถ้าเราโกหกเขาแล้ว <Yeah. S 1> เขาจะซื้อของของเราอย่างนี้เป็นต้น <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเชื่อแต่เราไม่ทำตาม <Yeah. S 1> ชีวิตของเราจึงเป็นแบบนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลา <Yeah. S 1> เราไม่นั่งสมาธิเราไม่ปฏิบัติธรรมกัน ก็เพราะว่ามันยากหรือเราไม่ชอบนั่นเองสิ่งใดที่เราไม่ชอบแล้วมันจะยากเหตุที่มันไม่ชอบเพราะอะไรเพราะกิเลสที่มันอยู่ในใจเรานี่แหละเป็นตัวสร้างความไม่ชอบขึ้นมาถ้าเราดัดสันดานมันได้ตัดมันได้แล้วเราจะชอบการนั่งสมาธิเราจะชอบปฏิบัติธรรมเพราะไม่มีอะไรจะดีกว่าการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรม เพราะมันจะทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขทาให้ใจของเราไม่มีความทุกข์นั่นเองดังนั้นบางอย่างที่เราไม่ชอบเราต้องฝืนทาเราอย่าปล่อยให้ความไม่ชอบนี้มาเป็นอุปสรรคเหมือนกับเราไม่ชอบกินยาขมแต่เราก็ต้องฝืนกินมันเพราะเรารู้ว่ามันจะทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บเราไม่ชอบการผ่าตัดเราก็ต้องยอมผ่าเราไม่ชอบการ การทำอะไรที่มันยากลำบากแต่มันเป็นประโยชน์กับเราเราก็ต้องทำมันอย่าให้อย่าทำตามใจชอบเพราะใจของเรามันชอบในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของเราที่จะฉุดลากให้เราเข้าสู่กองทุกข์มากยิ่งขึ้นขอให้เราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งสามประการนี้เถิด คือให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงความให้เราละบาปทั้งหลายให้หมดไปให้เราชนระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุด์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้จะค่อยๆหมดไปและหมดไปในที่สุดและความสุขที่เราปรารถนากัน ที่อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดก็จะอยู่กับเราไปตลอดอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงด้วยการมาวัดมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นสุดของความทุกข์และเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมกวรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีวัตนตรยนัยในพระพุทธธรรมประสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้